มือเช้านีพระราชสิขาไปมือเช้าเนี่จ็ดเจ็ดนาคนะคือเป็นข้าราชการหลายคนเป็นพ่อค้า <c oughs> ก็หลายคนรวมแล้วเจ็ดคน <c oughs> ไปเป็นคราวาตหลวงพ่ อ, อนเน้นหนักเป็นคราวาตอย่าให้นักอกนักใจพ่อแม่นะก็นี้หลวงพ่อบอก เมื่อเป็นพระหลวงพ่อก็บอกศึกไปแล้วหลวงพ่อก็บอกอีกสิ่งใดก็ตามถ้าจะหนักอกหนักใจพ่อแม่ผู้อยู่ใกล้ชิดอย่าให้ท่านหนักใจเพราะท่านเลี้ยงเรามาใหญ่แล้วต้องมีความคิดนะบวชเข้ามาแนละ้วเป็นคนมีความคิดในครั้งโบราณเมืองไทยเป็นนิทานไม่ใช่มาในพระไตรปิฎกนะนิทานปลาลำปลาลางั้นเถิดข่าววัตถินี่ แปลว่าบวชใหม่ศึกใหม่บวชไม่นานบวชปีสองปีบวบวชสามเดือนนี่ศึกจากพระเนี่ยเขาเขาเรียกทิศเนี่ยทเนี่ยเถียงนี่ยเขาเรียกว่าทิศความรอบคอบนี่ไม่เท่าไหร่คํ า, า, า, ว, า, าว่าอาจาร์นี่ยคำว่าอาจาร์แปลว่าอาจารย์เป็นอาจารย์หรือวะเขาเรียกอาจารย์คําว่าอาจารย์เนี่ไม่ใช่จานใส่ข้าวนะจานนี่ยแปลว่าอาจารย์เหมือนนแต่คนบวชนาน บวชถึงส0บกว่าพรรษาขึ้นไปแหะเขาว่าเรกจานหมดเหมือนนะพอสึกออกไปเลยเขาเรียกว่าจานจานเอแปลว่าเป็นผู้นำของชุมชนต้องรู้จักวิธีไหว้พระสวดมนต์รู้จักอะไรต่ออะไรหเป็นผู้นำเหมืนกแต่ว่าจานพวดที่บวดใหม่เลสึกออกไปก็เรียกว่าเทสบัดนี้มีสองตายายหนึ่งเหมือนกันเถอะ มีลูกสาวอยู่สองคนคนหัวปีกับคนสุดท้องแล้วก็พ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านไอ้พ่อก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันแต่เป็นคนในหมู่บ้านโดยมากคนสมัยนั้นถ้าว่าใครมีชื่อมีเสียงก็ได้ลูกเขยเป็นทิศเป็นจานเหมืนนอนั้นแต่เห็นนี่ก็จานกระสึกมาก่อนก็เลยไปติดพันลูกสาวผู้ใหญ่บ้านก็เลยแต่งงานกัน ผู้ใหญ่บ้านก็ได้ลูกเขยจานเหมือนกันต่อมาอีกทิศศึกใหม่ไปก็ไปติดพันุ์อีกผู้ใหญ่บ้านก็ได้ลูกเขยเป็นทิศเหมือ น, นันเธอเนี่ยลูกเขยทิศกับลูกเขยจานอยู่ในบ้านเดียวกันพ่อบ้านพ่อตาแม่ยายเหมือนกันเถอะนี้พ่อตาแม่ยายกับไปปรึกษากันแล้วบาทนี่ยเออทิศกับจานนี่เราจะเอาใครมาอยู่เลี้ยงวะสองตา ย, ยายปรึกษากัน แต่ดูๆแล้วก็ทิศเนี่ยก็เก่งนะเขาก็เก่งเหมือนกันปัญญาแต่ว่าจานยนี่ก็เก่งรอบครอบแต่ใครเราจะเอาใครมาเลี้ยงเราคนที่รอบครอบทนที่กว้างขวางคนที่มีวิสัยทัศน์ดีเนี่ยเราควรจะเอาใครมาเลี้ยงเราสองตายายคุยกันทีนี้ทางผู้ใหญ่บ้านผู้พ่อบ้านเนี่ยก็บอกเออเดี๋ยวผมจะไปทดสอบดู อ, อทดสอบไอคิว่างั้นะเออเจ้าใครจะมีไอคิวสูงกว่ากันทิศกับจานเนี่ยว่ากันเถอะวันหนึ่งผู้ใหญ่บ้านก็พาไปล่ะเอพอไปก็ไปเห็นไปเห็นห่านใช่ไหมไปเห็นหา่านมันร้องอ๊อฟอ๊อฟทั้งพ่อบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เลยถามว่าทิศเออ ห่านทําไมเนี่ยมันร้นองเสียงดังงี้ยโรงพยาบาลถามลูกเขยเถามไอคิวห่านทําไมเขาร้องเสียงดังลูกเขยก็บอกว่ามันคอยาวพ่อเงี้ยอืมใช่เพราะห่านมันคอยาวมันร้องเสียงดังเหมือนั้นเข้าข่ายเหมืั้นก็เดินไปอีกไปเห็นหน่อไม้สินี่มันมันขึ้นมาจากดินใช่ไหมเกิดเลยว่าเท็ดลูกเขยนะ่ะลูกเขยทิดเท็ด หน่อไม้ทําไมมันขึ้นจากดินได้ลูกเคยทิศก็บอกว่าเพ่อปลายมันแหลมพองอืมเขาท่าก็เดินไปอีกไปเห็นเห็นเป็ดเห็นเป็ดมันลอยน้ําเอาทิศทําไมเป็ดยังลอยน้ํำได้ทิศก็บอกว่าพราะมันมีขนพ่องมันมีขนมุก็เลน ลอยน้ำยํำไหวน้ํำได้เดินไปอีกไปเห็นเขากําลังหวานผักผักกาดเนี่ยวหมือนนเถอะเขาว่านมเมล็ดพืชนพ่อก็เลยถามว่าทิศทำไ ม, มเมล็ดพืชมันยังเกิดขึ้นมาได้อพอเขาลดน้ํามั น, มนเหมือนพอเขาลดน้ําำมันก็เลยขึ้น อืมใช่จากนั้นก็เลยพากลับบ้านเหมือนกันพอกลับมาบ้านเนี่ยก็เลยวันที่ต่อมาสองสามวันพาลูกเขยจานไปอีกทีนึงลูกเขยจานไปกถามไปเห็นหา่านพาไปตรงเก่านละยพอไปเห็นหา่านมันร้องอักอักจังเก่าถามลูกจานหา่านทําไมมันจึงร้องเสียงดังจานบอกว่าธรรมชาติเหมือนจานว่า ธรรมชาติของมันมันร้องมันก็ร้องเสียงดังอย่างนี้แหละทางพ่อตามันธรรมชาติอะไรมันรู้จักมันคอยาวแล้วงันมันคอยาวซะก่อนมันจึงร้องเสียงดังไม่ใช่เหรอทางลูกเขยจานบอกว่าไม่ใช่อึงอ่างเนี่ยคอมันสั้นๆทําไมมันร้องเสียงดังมาใช่ไหมอึงอ่างมันร้องเสียงดังเนีอยคอมันสั้นหน่อยเดียวใท่มัหรก็ร้องเอาจริงดังกว่าหานอีกเหมือนนเถ ทางพ่อตาก็เลยเออใช้ได้เว้ยอันนี้แปลว่ามีความคิดดีก็เดินไปอีกไปเห็นหน่อไม้อีกจานทำไมมันดอกหน่อไม้ทำไมมันเกิดขึ้นมาได้ทำไมาชาดเนี่จานว่า้ะทำไมาชาติอะไรไม่รู้จักปลายมันแหลมหรอว่า่านพ่อปลายมันแหลมมันจึงใส่ขึ้นมาได้เออมันจะขึ้นจากดินได้ไ อ, อ้พ่อตาเห็นไหมเห็ดนนะ่ะ มันขึ้นจากขอนไม้เก่นๆมันทำไมมันขึ้นได้ปลายมันตูๆงนันปลายมันสั้นๆปลายไม่เห็นแหลมสักหน่อยแต่มันขึ้นจากขอนได้ทางพ่อตาพ่อตาเอออันนี้มีความคิดเว้เหมือนกนนะทะเก็ไปอีกไปเห็นไอ้เป็ดลอยน้มากกถามอีกอย่างเก่านะี่ั้นพ่อจะได้ถามว่าไอคิวใครจะสูงกว่ากันเหมือนนแต่ลูกเขยสองลูกเขยเนะี่ยพอไปเห็นเป็ดมันลอยน้า เอจานทําไมเป็ดมันลอยน้ําได้ทางจานก็บอกว่ า, วาธรรมชาติคือลูกจานนี่ยว่าธรรมชาติตลอดอ่างเ้ยธรรมชาติธรรมชาติอะไรมันมีขนไม่ใช่เหรือมันยังไหว้น้ํำได้อา้าวพ่อเคยเห็นไหมอย่างเ้ยขอนไม้นะ่ะเอไม่เห็นมันมีขนนะ่ะมันทําไมลอยน้ำได้อ่างเงี้ยอือใช่ธรรมชาติของมันทีนี้ก็ไปถามอา้าวลูกเคยไหม ผักนี่มันทํำไมยังเกิดขึ้นมาได้มันเกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรลูกเขยก็บอกว่าเพราะธรรมชาติของมันธรรมสมดุลทั้งอากาศทั้งน้ำํำมันสมดุลกันมันยังเกิดได้ทางพ่อตาก็เน้นอีกพ่อลูกเขยคนแรกว่าเพราะลดน้ํามันใช่ไหอธรรมชาติอะไรเขาลดน้ํามันไม่ใช่เหรอมันจังเกิดทั้งลูกเขยก็โมโหมาเลย เหมือนกับพ่อเท่าถามจุกจุกจู้ยจี้ใช่ไหมถามมาหลายอย่างนะถามมาตั้งแต่ห่านมาตั้งแต่หน่อไม้มาตั้งเห็ดใช่ไหมทาไมพ่อเท่าพ่อตาเนี่ยถามเหมือนเด็กเหมือนทางลูกเขยก็บอกไงเฮ่ยก็ทําจะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงพอ่อั้นเอนเห็นไหมคนหัวล้านน่ะอาบน้ําทุกวันไม่เห็นมันงอกเหมือนพ่อตาพ่อตาก็เป็นคนหัวล้านอีกต่างหากทีเนียพ่อตาก็เลยโมโหให้ลูกเขยก็เลยหยุดถามเลยงัมนเดิ คนหัวล้านเนี่ยเห็นไหมอาบน้ําทุกวันไม่เห็นผมมันงอกขึ้นมาเลยไหมทางพอ่พอตาก็เลยเลเยินดูเขยขาว่าดูถูกตัวเองใช่ไหมเลยหยุดพูดเหมั้นกันกลับบ้านเลยเหมือนกันต่างคนต่างไม่พูดกันพอมาถึงบ้านก็เลยมาพูดให้แม่ยายฟังบ้านโอ้ไอ้ทิศกับไอ้จานเนี่ยไอ้ลูกเขยทิศกับลูกเขยจา น, นข้าไปทดสอบดูแล้วไอคิวไอ้จานในรอบครอบกว่าเหมือนกัน ควรจะอ้อยจานที่เป็นจานมาเลี้ยงเราดีกว่าเพราะว่าลูกเขยทิศรู้สึกว่ามันคิดมันไปหน้าเดียวเกินไปมันไม่กว้างกว้างไอคิวของจานนี่กว้างขงาวางกว่าเลยจากนั้นก็เลยให้ไอทิศอยู่อีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมจาย์นี่ก็เลยให้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตลอดไปนคนโบราณเข า, เขายังทดสอบไอคิวได้ใครจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้เขาต้องดูซะก่อนได้ จิตใจกว้างขว้างไหมเป็นยังไงอันนี้ก็คือวิธีการพ่อแม่เลือกลูกเขยเพกา ง, งั้นเถอะบาดนี้พ่อแม่แม่ยายเลือกลูกสะพ้ยบาดเนี้ยเขาเลือกยังไงคนมวรันคนมวรันเลือกลูกสะภ้ายนี่เขาไปทดสอบดูได้เขาพาลูกสะพ้ายไปหาเก็บเห็ด พอไปเข้าไปในป่าเอาสิเก็บสิเห็ดลูกเฮ้ยมันยังน้อยอยู่แม่ไปเอาที่อื่นเถอะแม่ก็เก็บอพอเก็บเก็บเก็บไปพอมาถึงบ้านแม่ได้ทีละดอกสองดอกใช่ไหมมันเต็มตะกร้าได้บ้านเลลูกไผ่เนี่ยมีมิแต่จะเอาเก็บให้มันใหญ่ๆเฉยเลยยังค่อยเก็บไม่ได้เพราะงั้นมาถึงบ้านเนยอแม่ก็ให้ไปล้างไปไปล้างเห็ดพอล้างเห็ดก็มาแกง แกงเสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกก็เลยสอนลูกสะภ้ายบอกว่าลูกนี่แหละการที่จะเก็บหอมลอมลิบเงินคําทรัพย์สมบัติจะให้เอามากซะก่อนอย่าค่อยเก็บมันเก็บไม่ได้หรอกมันต้องเก็บทีละเล็กทีละน้อยอมันจึงพอแกงเพราะฉะนั้นการคลองชีพเนี่ยต้องประหยัดนะต้องเก็บหอมลอมลิบไปทีละน้อยละน้อยอมันจึงจะพอแกง ไม่ใช่ว่าจะเห็นใหญ่ซะ ก, ก่อนเนีค่อยเก็บหนึ่งบางทีมันก็ใหญ่ไม่ได้อผล่ในสู่ก็เลยจนไปเพราะมีแต่คอยลายใหญ่ๆที่จะรวยๆทีเดียวเลยมันรวยไ ม, ไม่ได้นะมันต้องเก็บไปทีละน้อยละน้อยมันจึงจะรวยอันนี้ก็คือวิธีการสอนลูกสะพ้ยเขาเหมือนกันนี่แหละคนโบราณเนี่ยเขามีคำสอนปแปลกๆนะถ้าเรามาคิดดูแล้วเป็นคาสอนปแปลกๆ เขาต้องการคนที่มีความคิดคนที่จิตใจกว้างขวางคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะอันนี้ลูกเต้าทุกคนก็เหมือนกันอ่ะที่เราเกิดมาจากพ่อจากแม่อย่าให้พ่อแม่หนักใจให้เบาใจกับเราเพราะท่านเลี้ยงเรามาแล้วเรายืนด้วยปีแข่งของเราได้แล้วขาสองแขนสองสมองหนึ่งนี่แหละพ่อแม่มอบให้แล้วเราจะใช้ ขาสองแขนสองสมองหนึ่งของเราเนี่ยทำยังไงจึงจะให้เจริญรุ่งเรืองทํำยังไงจึงจะให้มีความร่มเย็นผาสุขทํำยังไงจึงจะให้ไม่ให้พ่อแม่หนักอกหนักใจกับเร า, เ, าเราต้องหมั่นขยนันอดทนเสาะสแสวงหาทรัพย์ในทางที่ถูกต้องอไม่ใช่ว่าจะค้าขายยาบ้ายามารวยทางลัดอันนั้นไม่ได้เนี่ยทำลายประเทศชาติบ้านเมืองอันนั้นถึงจะได้มาก็ไม่เจริญ ไม่เจริญมีแต่ความจิบหายอยู่ซึ่งหน้าเลยว่างั้นเถอะเพราะนั้นสิ่งที่มันผิดกฎหมายบ้านเมืองนะอย่าทำทำไปแล้วก็ไม่เจริญจิตใจของเราก็เสื่อมดําปี๋เข้าเรื่อยๆนรกไฟนรกไหมอ่ในหัวใจอยู่ตลอดไม่มีใครรู้แตามันไหมอยู่ในหัวใจเรา เ, เห็นเขาว่ายังไงตํารวจว่ายังไงสะดุ้งเฮือกทีหนึง เ, เพราะตัวเองทําไม่ดเีเพราะนั้นการออกไปเป็นฆรวาส หรือ ว, ว่าการทํามาค้าขายแล้วว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วอยากให้หนักอกหนักใจพ่อแม่พยายามทํามาหาเลี้ยงชีพในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรมมีแต่ความจเจริญนุ่งเรืองน่ะค่อยเป็นค่อยไปเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยเงินคําทรัพย์สมบัตินคนมีปัญญาหาทรัพย์ได้แต่คนไม่มีปัญญาหาทรัพย์ไม่ได้เงินทองเป็นของกายเยสิต ถ้าย้อนความคิดรักษาไว้ไม่อยู่ถ้าย้อนความคิดถ้าคนโง่นรักษาทรัพย์สมบัติไว้ไม่ได้ไม่อยู่ <c oughs> เหมือนกับมีปีกมีหางบินไปหมดถ้าคนมีความคิดและรักษาอยู่ <c oughs> เ, ออเงินทองเป็นของกายเยสิ์ถ้าย้อนความคิดรักษาไว้ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนั่นะเงินคำทรัพย์สมบัติเป็นของอยู่ในโลกเนี่ยยศฐารมดาศแต่ถว่าเรา พยายามสะแสวงหาพยายามตั้งอกตั้งใจทําการงานพยายามเก็บหอมรอมริบเราก็เป็นคนหนึ่งเหมือนกันนะเป็นผู้ครองมรดกคลองทรัพย์สมบัติชีวิตของเราก็จะเรียบร้อยราบรื่นพอเรามองอนาคตการเก็บหอมรอมริบไม่ใช่ปัจจุบันเดสมันปัจจุบันวันนี้กินแล้วก็แล้วละถ้าวันพรุ่งนี้อะไรทาไงมันได้ใช้อีกเด้มันได้กินอีกเพราะนั้นเราเก็บหอมรอมริบก็เพื่ออนาคต การสร้างคุณงามความดีก็เหมือนกันการสร้างบุญสร้างกุศลที่พวกเราทนทุกข์ทรมานมาหนาวอยู่ในปา่าในดงมาตั้งอกตั้งใจภาวนาเนี่ยถ้าตายแล้วเกิดมาชาตินี้ศูนย์เยจะมาทําไมสิ่งไหนที่มันจะสุกเราก็อยู่อย่างงั้นนะแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นที่เรามาอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่าเราต้องการสร้างบุญสร้างกุศลเพื่ออนาคตวันชาติหน้าชาติหน้ามีเราเกิดมาชาติหน้าเราจะได้พึ่งบุญกุศลที่เราได้ทําเอาไว้ เหมือนกับวันพุ่งนี้แหละถ้าวันพุ่งนี้ไม่มีวันนี้ก็กินเต็มที่ไปเก็บไว้ทําไมเก็บไว้ให้โงท่ทําไมเก็บไว้คนอื่นทําไมเออเขากินเต็มที่แต่วันพุ่งนี้มีห่ะมันจะไปกินหมดได้ยังไงเออแล้วก็ต้องเก็บเผื่อวันพุ่งนี้ เ, เดือนหน้าปีหน้านะไม่ตายง่ายได้ทําไงอย่างคนโบราณเขาว่านะเออถ้าใช้เงินก่อนมันก็ทุกอีกอย่างหนึ่งเออถ้าหมดเงินเออ ก่อนตายโดยทนึงมันก็น่าทุเลตอีกเพราะว่าไม่รู้จักวางชีวิตไม่รู้จักวางแถวแนวชีวิตของตัวเองเพราะนั้นเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้รอบคอบได้ให้รอบคอบในชีวิตรอบคอบในแนวความคิดรอบคอบในการพูดการคิดก็ให้รอบคอบการกระทำก็ให้รอบคอบ อย่าไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องทำให้ถูกต้องน ะ, นะ <g arden> การกระทาก็ดีการพูดก็ดีทำให้ตัวเองจีบหายได้เหมือนกันนะติดคุกติดตารางได้ง่ายๆเสียยศถาบรรดาศักดิ์ได้ง่ายๆเป็นที่ดูถูกเหยยดย่ำของคนได้ง่ายๆเพราะนั้นพวกเรานะพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาปัญญาเป็นการนำ ถ้าคนมีปัญญาพิรณาไตตรองเหตุและผลพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวเองพยายามไข ค, ควรทบทวนในสิ่งที่ผิดที่ถูกนั่นแหะพวกเราจะเดินไปในทางที่ถูกต้องเป็นธรรมนะวันนี้เดี๋ยพูดอะไรแนวความคิดให้ฟังเสียยืดยาวนะมีนิทานทิศกับจานด้วยนะเพราะนั้นพวกทิดเราที่ออกไปเนะี่ยต้องเป็นคนดีนะอเอาอรับพรถลีอาอนโมธนาให้พร ยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสากครังเอวะเมวัยโตทินนางเปตานางอุปกาปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปบะเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารสูยาธามณิโชติระโสียาธา วิวันชาตุสาพารองวินัสสตุมาเตมภาวะวานตาไรโยสุงคีกายโกวาภาวาพิวันทานสิลิสานิท จังบทธาปาจา ย, ยินาจันตาโรธามาวะพันติอายุวันนสุขัง อาลางอายุวันท่าโกนท่านาวัตทโกสิริวันท่โคยาสาวัตทโกพลาวัตทโกวันณาวัตท่าโกสุขาวัตท่าโกหตุสาพาทาโต ข้าพยาเวลาโสกาัสาตุจุปาทะวาอเนกาอันตรายยาปิวินต์ ส, สันตุจเตสัสสยาเสธิทานักลาภังโสติภาคยังสุขังบาละ สิริอายุจัวันน้อยเจ้าโอคังวุฒิเจยสวาสตาวาสาจายุจัชีวสิทธิพาวันตุเตมพวันตุสับถมังฆาลังรักขันตุสับ วาตาสะพาพุทธานุพาเวนัสาธาสดีภาว ต, ตุเตภวตุสัภาบางกาลงรากขันตุส า, พพ า, า, า, สาวาตาสาพาธรรมานุพาเวนั ส, า ธ, าสาธาสดีภวตุ ตูเตมภวานตุสาภามังคละพระคันตุสัพาเทวะตาสัพพัสังฆานุภาเวนสัทธาโสทีภวันตูเต